วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของตนเพราะไม่มีคำสั่งคำสอนของใครในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ เท่ากับคำสั่งสอนของพระบรมศ า, ศาสดาพระอาหารหันตัมมาสมพุทพเจ้าผู้ทรงตัดสร้พระธรรมวิเศษที่จะดึงให้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น การศึกษาการฟังธรรมจึงเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะจะได้เรียนรู้สิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนแต่ถ้าเราได้เคยได้ยินมาแล้วถ้าเราได้ยินได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้เรา บทความลังเลสงสัยต่างๆจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องและจะทำให้จิตใจผ่องใสมีความสุขนี่คือระคุณประโยชน์ที่จะได้จากการฟังเทศฟังธรรมฟังกี่ครั้งกี่หนก็มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีโทษเหมือนกับการฟังเรื่องราวอย่างอื่นทางโลกฟังแล้วบางทีก็อาจจะถูกหลอกลวงถูกให้ไปทำอะไรที่เกิดความเสียหายให้กับตนเองและกับผู้แต่การฟังทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วจะทำให้เกิด ปัญญาเกิดความรู้ความฉลาดนำไปสู่การกระทาที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองและกับผู้นาาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าไม่มีสิ่ ง, งันใดในโลกนี้ที่จะมีความสําคัญเท่ากับจิตใจจิตใจ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรเป็นสิ่งที่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าร่างกายและสิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาได้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่ร่างกายหายมาได้นี้หาเงินกองท่อภูเขาหาตำแหน่งสูงสุดตายก็เป็นของชั่วคราวหาใมาได้แล้วในที่สุดร่างกายพอร่างกายตายไปสิ่งต่างๆที่หามาก็ เอาติดตัวไปไม่ได้อยางงั้นจึงไม่ควรที่จะไปหลงกับการหาสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายให้เสียเวลาไ ป, ปเปล่าเป็นการคว้าน้ำเหลวหามาได้เท่าไหร่ในที่สุดมันก็หมดไปเวลาที่ร่างกายตายไปเงินทองของหมหาเศรษฐีเวลาตายไป มาเศรษฐีเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวตําแหน่งสูงสูงของผู้นําประเทศระดาตายไปก็เอาตําแหน่งติดตัวไปไม่ได้เพราะว่าร่างกายเป็นของชั่วคราวและของต่างๆที่หาได้ผ่านทางร่างกายที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ต้องอยู่คู่กับโลกนี้ไป แปลสภาพไปของต่างๆนั้นเป็นของที่ได้มาจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้สี่ชนิดด้วยกันเรียกว่าธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุนมธาตุไฟสิ่งของส่วนใหญ่ก็เป็นธาตุดินทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบ้านช่องอะไรต่างๆนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นธาตุดิน เป็นของที่เราสร้างขึ้นมาจากธาตุดินและเวลาผ่านไปมันก็จะเสื่อมกลับคืนสู่ธาตุดินดูซากประหักพังต่างๆของอาคารต่างๆในอดีตไม่ว่าจะเป็นยุคสุขโขทยัยยุคกรุงศรีหรือยุคอะไรก็ต่างในอดีต เคยรุ่งเรืองคอยสวยงามเคยเจริญเคยยิ่งใหญ่การเวลาผ่านไปสิ่งของเหล่านี้ก็ผุพังทลายไปกลายเป็นซากวระด้างหักพังไปคนที่สร้างสิ่งเหล่านี้ก็ตายหายจากไปหมดนี่คือสิ่งต่างๆที่เรา บัวมาหากันมาสร้างกันมาอยู่กับมันมาหาความสุขจากมันซึ่งเป็นความสุขที่คลุกเคล้าไปด้วยความทุกข์ต่างๆเพราะเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขชั่วคราวที่อาจจะหมดไปได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปกาหนดได้ ว่าจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสุขกับตนไปถึงเวลานั้นหรือเวลานี้เมื่อมันมีอันเป็นไปที่จะต้องสิ้นสุดลงมันก็สิ้นสุดลงไปของมันนี่และคือสิ่งต่างๆหรือความสุขต่างๆที่พวกเราคอยหากันอยู่ในโลกนี้เป็นของปลอมทั้งนั้นเป็นของไม่จริง เป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปก่อเจดีย์กองทรายต่างๆที่ชายทะเลเวลาที่น้ำลงบางคนก็อุตส่าห์สร้างปราสาทกันอย่างสวยงามจากกองทรายแต่พอเวลาน้ำขึ้นมากองปราสาทปราสาทที่เขาสร้างด้วยกองทรายหรือสิ่งต่างๆที่สร้างด้วยกองทราย ก็ถูกน้ำซัดไปหายไปหมดของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเหมือนกับกองทรายและสิ่งที่จะมาทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้หายไปหมดก็คือการเรเวลานี่เองเวลามันจะค่อยๆเกินกินสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปจากโลกนี้แล้วก็จะมี ผูมาเกิดใหม่มาสร้างกันใหม่ทำอย่างนี้กันไปอย่างต่อเนื่องได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปไม่มีอะไรที่จะทําให้เป็นสิ่งที่คงที่อยู่กับตนไปได้อย่างถาวรมีแต่สิ่งที่สร้างขึ้นในใจนี้เท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่ถาวรไปกับใจไปตลอด ใจนี้กับร่างกายนี้เป็นเหมือนฝาแฝดใจเป็นแฝดพี่ร่างกายเป็นแฝดน้องร่างกายมีรูปร่างหน้าตาที่เราเห็นกันได้แต่ใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นเหมือนมนุษย์ร่องหนเราเลยมักจะไปคิดกันว่าใจกับร่างกายนี้ เป็นคนเดียวกันแต่ความเป็นจริงแล้วใจก็เป็นอีกคนหนึ่งร่างกายก็เป็นอีกคนหนึ่งเป็นเหมือนแฝดสยามที่มีการติดกันด้วยการเชื่อมของกระแสของจิตมาสู่ร่างกายความจริงจิตและใจนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ โลานี้เป็นโลกของร่างกายเรียกว่าโลกกธาตุโลกที่มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนจิตนี้เป็นกายทิพย์อยู่ในโลกทิพย์จึงไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ตัวรู้ตัวคิดมีแต่การคิดมีแต่การรู้คือคุณสมบัติหรือความสามารถ ของจิตใจและก็มีสุขหรือมีทุกข์อยู่ในจิตใจซึ่งต่างกับสุขหรือทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าเรานี้มีสองส่วนด้วยกันความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายคาว่าเรานี้เกิดมาจากใจ เป็นผู้คิดขึ้นมาด้วยอำนาจของโมหะอวิชชาของความหลงที่ไปคิดว่าใจนี้เป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราแต่ความจริงใจก็เป็นเหมือนธรรมชาติอย่างอื่นเหมือนกับธรรมชาติดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟนี้เราก็รู้ว่าเขาไม่มีตัวตนเลยลองไปขุดดินดูนะน้อบ้านให้เป็นตุ๊กตาขึ้นมา มันก็ไม่มีตัวตนเอาน้ำมาปั้นให้มันเป็นตัวตนเช่นสมัยนี้เราแช่น้ำแข็งได้เราทำให้น้ำเป็นตุกตาได้ทำให้มันมีอุณหภูมิเย็นมันก็สามารถปั้นเช่นหิมะต่างๆปั้นให้เป็นตัวตุกตาอะไรเป็นเหมือนรูปร่างของคนแต่มันก็ไม่มีตัวตนร่างกายนี้ก็ ปั้นมาจากดินน้าลมไฟนี่มันก็ไม่มีตัวตนมันเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้ก็ปั้นมาจากดินน้าลมไฟต้นไม้นี้ไม่มีความรู้สึกนึกคิดร่างกายของพวกเรานี้ก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดนี้คือใจแต่ใจไปคิดผิด คิดด้วยความหลงคิดว่าใจมีเป็นตัวเป็นตน mm hmm. เมื่อมันมีตัวมีตนมันก็ต้องมีการรักษามีการคอยดูแล mm hmm. เมื่อมีการรักษาดูแลมันก็ต้องมีความทุกข์ตามมา mm hmm. เวลาที่ดูแลไม่ได้เวลาที่รักษาไม่ได้ mm hmm. ความทุกข์ของใจเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็น ตัวใจเป็นตัวตนเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาซึ่งร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวเราเป็นของเรามันไม่ได้เป็นสมบัติของใครทั้งนั้นมันเป็นของธรรมชาติของธาตุสี่ดินน้าลมไฟที่มารวมตัวกันชั่วข้าวมารวมตัวด้วยการผ่านทางพ่อแม่พ่อแม่เอาธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มาผสมกัน พอผสมกันอยู่ในท้องแม่ก็เก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นร่างกายที่ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจนมีอาการครบสาสบสองคือมีผมขนเนื้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและอวัยวะต่างๆเมื่อร่างกายเจริญเติบโ ต, ตเต็มที่ไม่สามารถอยู่ในครรภ์ของแม่ได้ก็คลอดออกมา ร่างกายคลอดออกมานี้คลอดมาแล้วก็มีจิตมาเกาะติดอยู่ด้วยตอนที่เริ่มสร้างร่างกายพอเริ่มมีการปฏิสนธิพอมีเริ่มมีการเจริญเติบโตของของร่างกายช่วงนั้นก็จะมีใจผู้รู้ผู้คิดมาเกาะติดกับร่างกายทันทีการเกาะติดของใจกับร่างกายนี้ก็ใช้กระแส วิญญาณการรับรู้ของใจการวิญญาณนี้มีอยู่ห้าห้าเส้นด้วยกันเส้นหนึ่งไปเกาะที่ตาเส้นหนึ่งไปเกาะที่หูเส้นหนึ่งไปเกาะที่จมูกที่ลิ้นและที่ร่างกายเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดธัพทะนี้เอง นี่คือการเชื่อมต่อของอีกฝาแฝดของพวกเราเรกเราเป็นฝาแฝดกันเราเป็นแฝดพี่ผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นแฝดพี่ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาและก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้อยู่ในอีกโลกหนึ่งอยู่ในอีกมิติหนึ่งจะว่ามิตินี้ใกล้หรือไกลก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีไม่มีรูปร่างมันเลยไม่มีสิ่งที่เราจะวัดได้ว่ามันอยู่ ถึงกรุงเทพแล้วอยู่ถึงเชียงใหม่แล้วอยู่ถึงอเมริกามันไม่มีมันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีขนาดมันจึงไม่มีส่วนวัดว่ามันอยู่ใกล้หรือไกลแต่สิ่งที่รู้แน่าก็คือมันติดอยู่กับตาหูจมูกมินกายของร่างกายนี้และมันรู้ทันทีเวลามีรูปมาให้สัมผัสที่ตามีเสียงมาสัมผัสที่หู สิ่งที่รู้ก็คือวิญญาณ น, นี้เองวิญญาณ น, นี้คือผู้ส่งผู้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะแล้วก็ส่งมาให้ใจผู้รู้อีกที ใ, ในนี้มีผู้รู้สองสองอย่างผู้รู้ผู้รู้ที่รู้หมดที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้ที่คิดแล้วก็ผู้ที่ไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะอันนี้ต่างกัน ผู้ที่รู้เสียงก็รู้แต่เฉพาะเสียงผู้ที่รู้รูปก็รู้แต่เฉพาะรูปผู้ที่รู้กลิ่นก็รู้แต่เฉพาะกลิ่นแต่ผู้ที่รู้รูปเสียงกลน jaki, นิ่นรสนี่คือผู้รู้ตัวใหญ่ที่เรียกว่าตัวจิตตัวใจนี้คือผู้รู้แล้วก็เป็นตัวคิดด้วยจิตนี้มีทั้งคิดและมีทั้งรู้และก็จิตนี้แหละเป็นผู้ที่ส่งกระแสของวิญญาณ ห้านี้ไปสู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผดผาต่างๆให้มาส่งมาให้ที่ใจพอใจรับรู้แล้วใจก็เสบรูปเสียงกลิ่นรสนั้นถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบก็เกิดสุ ข, ขเวทนาเกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาถ้าสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดผาดที่ไม่ชอบ ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าสัมผัสกับรูปเสียงกิ่นรสที่เฉยเฉยไม่รักไม่ชังก็เกิดเวทนากลางๆาคือไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกวันนี้เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ของสองฝ่ายของร่างกายและจิตใจและเราก็เสพความสุขเหล่านี้กันไป ตามความหลงของเราตามความคิดของเราที่ถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าความสุขของเรานี้อยู่ที่การได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพชนิดต่างๆนี่ เ, เราจึงไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสบกันทุกวันตั้งแต่เต่มขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาปุ๊บก็เริ่มเริ่มหาสิ่งที่จะเสพแล้ว ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกอยากจะกินกาแฟาขึ้นมาแล้วอยากจะดื่มน้ําอะไรขึ้นมาแล้วน้าผลไม้อยากจะดื่มน้ําที่มีรสชาติสดชื่นตื่นขึ้นมาแล้วจะได้เบิกบานได้สัมผัสกับสุขเวทนาต่างๆนี่คือการเสพความสุขของใจที่ถูกอํานาจของโมหะอวิชชา หลอกให้เสพกันหลอกให้ค้นหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญกันแต่ไม่รู้ความเป็นจริงของรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญว่าเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่บางทีก็มาบางทีก็ไม่มาบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดแล้วก็เป็นของชั่วคราว มาแล้วเดี๋ยวก็ไปไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พอเวลามันมามันให้ความสุขก็ดีใจกันพอเวลามันไปมันก็ทําให้เราเหงาทําให้เราว้าววัยทำให้ใจเหงาทําให้ใจว้าววัขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่ใจไม่รู้ว่าใจกําลัง หาความทุกข์พร้อมๆกับการไปหาความสุขเพราะของเหล่านี้เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่แน่นอนไม่ถาวรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปไปมามาเวลาสิ่งที่เรารักเราชอบมาก็ดีใจเวลาสิ่งที่เราไม่รักเวลาสิ่งที่เรารักเราชอบจากไปเราก็เสียใจเราจึงต้องอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันตายเนี่ยเราจะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆอยู่เรื่อยๆเพราะความหลงของใจที่ถูกความหลงนี้หลอกให้มาหาความสุขจากของที่มันเป็นทุกข์นั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสผุดสะพะที่เราแสวงหากันและเครื่องมือที่เราใช้ในการหารูปเสียงกลิ่นรสคือตาหูจมูกริ้นกาย ล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่ถาวรทั้งนั้นล้วนเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะมีต้องมีเป็นวันที่จะต้องมีวันเสือ่อมมีวันที่จะต้องมันจะต้องเสียมีวันที่จะมันที่จะไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้หรือให้ความสุขกับเราได้พอมันไม่สามารถหาความสุขให้กับเราเช่นตาหูจมูกนิ้วกายเกิดมันเสื่อมขึ้นมาหูหนวกตาบอดขึ้นมา ใจก็จะไม่มีช่องทางหาความสุขใจก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าเกิดความทรมานใจเกิดความเครียดบางทีก็เกิดความซึมเศร้าขึ้นมาจนกระทั่งอาจจะทำให้คิดฆ่าตัวตายก็ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะหาความสุขแบบที่เคยหามาได้แล้วนั่นเองอันนี้เป็นอนาจของ ความหลงที่มีอยู่ในใจของทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่มีใครยกเว้นแม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่มาเกิดก็ยังถูกอำนาจของความหลงครอบงำจิตใจอยู่เช่นเดียวกันครอบงำให้หลงหาความสุขจากลาบยศสารเสริญต่างๆแต่พระองค์นั้นเป็นคนที่ฉลาด และมีบุญเก่าวติดตัวมาด้วยจึงทำให้พระองค์นี้เห็นด้วยปัญญาว่าความสุขทางร่างกายนี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะต้องหมดจะต้องกลายเป็นความทุกข์เนื่องจากว่าพระองค์เคยออ ก, ออกไปเที่ยวนอกวังซึ่งทำไมต้องออก ออกไปเที่ยวนอกวังเพก็เพราะว่าพระราชบิดานี้ไม่ไม่ให้อนุ ญ, ญาตให้ออกไปเที่ยวนอกวังต้องหลบออกไปต้องหนีออกไปทําไมพระบิดาจึงไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะออกไปนอกวังเพราะเนื่องจากว่าเจ้าพระเจ้าสุทโทธทนะพระราชบิดานี้ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาใหม่ๆ ก็ได้เรียกพวกโหราจาร์ต่างๆมาทำนายอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรเชิญมาหลายรูปด้วยกันแล้วก็ทุกรูปก็มียกเว้นอยู่รูปหนึ่งที่มีความเห็นต่างแต่รูปอื่นๆนี้ทำนายว่าอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถนี้มีอยู่สองทางด้วยกัน คือถ้าอยู่ในทางโลกก็จะเป็นพระมหาจากกักรพรรดิอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบร ม, มศาสด า, ศามีโหราจารย์อยู่รูปหนึ่งที่ทำนายขัดแย้งกับรูปอื่นก็คือว่ามีทางออกมีทางเป็นไปได้ทางเดียวเท่านั้นคือจะต้องออกบวชและเป็นพระบร ม, มศาสด า, ศาพอพระราชบิดาได้ยินอย่างนั้น ก็กลัวกลัวว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะออกบวชและการที่คนเราจะออกบวชนี้มักจะเห็นความทุกข์กันถ้ามีความสุขแล้วจะไม่อยากจะออกบวชกันพรเจ้าชายสุดพระราชบิดาจึงสร้างวังราชวังสามฤ ด, ดูด้วยกันสามส า, มสามราชวังเรียกว่าปราสาทสามฤ ด, ดูให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอยู่อย่างสุขสบายให้อยู่แต่ในวัง แล้วก็สรรหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมามาให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เสกตลอดเวลาถ้าอากาศร้อนก็เปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่อากาศที่ไม่ร้อนไปเปลี่ยนย้ายวังไล่ถ้าย้ายไปแล้วถ้าไปเจออากาศหนาวก็ย้ายกลับมาปราสาทที่มันไม่ค่อยหนาวมีปราสาทสามฤดูถ้าไปเจอฝน ก็เปลี่ยนไปที่ที่มันไม่มีฝนเพื่อที่จะได้มีความสุขตลอดทั้งปีนั่นเองแล้วก็ทรงห้ามไม่ให้เจ้าชายเสดทธตะออกไปเที่ยวนอกพระราชวังไม่อยากให้เห็นความเป็นจีนของชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายของคนทุกคนแล้วก็ห้ามให้ไม่ให้คนที่แก่ที่เจ็บที่ใกล้จะตายนี้เข้ามาในวังโดยเด็ดขาด ให้มีแต่หนุ่มๆสาวๆรูป ล, ล่างหน้าตาสวยงามหล่อเหลาทำให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะคิดว่าคนทุกคนเป็นแบบนี้กันเหมือนคนสมัยนี้ในพวกกลุ่มพวกบันเทิงทั้งหลายพวกดารานักร้องนักสแสดงเขาอยู่กับกลุ่มคนหนุ่มคนสาวคนสวยคนหล่อกันเขาเลยลยเลยหลงกันคิดกันว่าชีวิตของเขาจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย แต่พอวันหนึ่งไปเจอสัจธรรมความจริงเข้าเกิดเป็นคนแก่ขึ้นมาหรือเกิดเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาบางทีถึงกับฆ่าตัวตายเพราะรับกับสภาพความเป็นจริงไม่ได้แจะไปบวชก็ไปบวชไม่ไหวอาจจะมีบางคนก็ไปบวชก็มีแต่น้อยคนที่จะไปบวชกันเวลามีความทุกข์ที่ได้พบกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย นี่คือสาเหตุที่เจ้าชายสิทธัตถะพระเจ้าชายสุดโทธนาพระราชบิดาห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกไปนอกวังไม่ต้องการให้เห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิตว่าเป็นอย่างไรแต่โดยนิสัยของคนเราทุกคนของคนที่มีกิเลสต่อให้อยู่กับกองเงินกองทองต่อให้อยู่กับของดีของงามของสวยขนาดไหนก็ตาม มันก็เกิดความเบื่อได้มันกเกิดความชินชามันก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าแล้วไอ้ข้างนอกวังมันเป็นยังไงวะในที่สุดก็อดทนทนไม่ไหวถึงกับบอกให้มาเล็กแอบพาออกไปเที่ยวนอกวงังสักวันเมื่อลูกพี่สั่งลูกน้องก็ต้องทำตามมาเล็กก็เลยพาเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะออกไปชมชีวิตความเป็นจริงภายนอก พอออกไปแล้วสิ่งแรกที่เห็นก็คือคนเดินหลังค่อมมาถือไม้เท้าอหนังเหยวยี่ยงย่นก็ถามว่านี่เป็นใครเนี่ยไม่นี่เป็นอะไรไม่ได้ถามว่าเป็นใครนี่เป็นอะไรไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอาจจะเป็นเหมือนกับสัตว์ที่ท่านเคยมีในวังพวกมา้าพวกช้างพวกวัวอะไรต่างๆแต่ไม่เคยเห็นสัตว์ชนิดนี้ก็เลยถามว่า สัตว์ชนิดนี้เป็นอะไรเป็นอะไรมาเล็กบอกไม่ได้เป็นสัตว์เป็นคนเหมือนพระ อ, องค์นี่แหละแต่อยู่ไปนานๆเข้าพออายุหกสิบเจ็ดสิบขึ้นมาหลังก็จะค่อมขึ้นมาหนังก็จะเหี่ยวย่นเดินตัวตรงไม่ได้เดินเร็วเดินตามแบบคนปกติไม่ได้กลัวต้องมีไม้เท้าคอยค้ำยันพระ อ, องค์เองก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอได้ยินคานี้พระองค์ถึงกับตกใจเลย ความเป็นจริงมันมาปลุกสติปัญญาปลุกความสำนึกของใจขึ้นมาทันทีว่าสักวันหนึ่งร่างกายของตนที่แข็งแรงที่สวยงามอย่างนี้ในที่สุดก็จะต้องกลายเป็นคนแก่คนเฒ่าไปหลังจากนั้นก็เดินต่อไปอีกสัตยะานหนึ่งก็ไปเห็นคนนอนโอดร้องโควนคลางอยู่หน้าบ้าน าถามว่าคนนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรถึงมานั่งร้องควรคางอย่างนี้มาหาเลก็กกว่าเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละแต่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเขามีอายุมากขึ้นมาแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะเบียดเบียนทําให้ร่างกายเขาเจ็บปวดไปทั่วสพางกายถึงกับทนไม่ได้ต้องร้องควรคางออกมาพระองค์ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันมาหาดเล็กกว่านี้ พอได้ยินว่าต่อไปจะต้องเป็นคนแางนี้ขึ้นมาก็ยิ่งเกิดความตกใจมากขึ้นใหญ่สองเท่าต่อไปก็เดินไปอีกเดินไปทีนี้เห็นคนเ้าแห่ขบวนศพมาแห่ศพมาก็ถามว่าเขาแห่อะไรกันก็ได้คำตอบว่ากำลังแห่ศพคือร่างกายของคนที่ตายแล้วเก็บไว้ไม่ได้แล้วเก็บไว้ที่บ้านเดี๋ยวมันเน่ามันเหนม็นมันมันจะเปื่อยมันจะผุ มันจะบวมขึ้นมาแล้วมันจะมีน้ําอะไรต่างๆออกมาส่งกลิ่นเหม็นไปหมดต้องเอาไปกําจัดด้วยการเผาชาปน ก, กิจที่ลิ้นแม่น้ําร่างกายของพระ อ, องค์ทั้งวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นกันร่างกายของทุกๆคนทั้งของพระ อ, องค์เองก็เป็นอย่างนี้ทัานของมหาเถรเองก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้นิ่งทำให้เกิดความวิตกเกิดความกังวลขึ้นมาสามสามกำลังทุดกำลังสารแล้วก่อนที่จะเดินกลับวังก็ไปเห็นชายคนหนึง่งแต่งกายแปกไม่เหมือนคนอื่นเป็นแต่งกายแบบพวกนักบวชก็เลยถามว่าชายคนนี้เขาทำอะไรชายคนนี้เขาเป็นคนที่ไปแสวงหาการ ออกจากการที่จะมาเป็นคนแก่คนเจ็บคนตาย mm hmm. คิดว่ามีวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย mm hmm. ด้วยการสละชีวิตของผู้ครองเรือยงสละการหาความสุขทางตาหูจมูกลินกาย mm hmm. เพื่อที่ไปหาความสุขอกีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเกิดมามีร่างกายเพื่อที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปพอพูดอย่างนี้พระ อ, องค์ก็เลยคิดถึงวันครั้งหนึ่งในอดีตตอนที่เป็นเด็กเวลาที่ได้อยู่คนเดียวตามลาพังนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้วันนั้นเพื่อข้าราชบริพารเขาไม่ว่างไปทำภารกิจอย่างอื่นยังไม่มีใครห้อมล้อมปล่อยให้พระ อ, องค์อยู่ตามลาพัง ขณะที่ร่างกายอยู่ตามลำพังร่างกายวิเวกปราศ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจึงทาให้ใจที่เคยสงบเคยใจที่เคยรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิในอดีตชาตินี้สงบตัวลงโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปควบคุมบังคับมันเพราะเคยถ้ามันอยู่กับเสียงแวดล้อมที่สงบ ใจก็จะสงบขึ้นมาเรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกอันนี้แสดงว่าชาติก่อนเคยปฏิบัติสมาธิมาก่อนถ้าถ้าคนอื่นถ้าคนอื่นถ้าอยู่คนเดียวปราศจากคนมาห้อมล้อมแล้วเกิดความเหงาขึ้นมาอันนี้แสดงว่าไม่เคยปฏิบัติสมาธิมาก่อนแต่คนที่เคยมีสมาธิจิตเคยรวมมาแล้ว เวลาที่ได้อยู่ตามนำพังคนเดียวนี้จิตก็อาจจะรวมขึ้นมาได้อาจจะแล้วก็มีเวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบสิ่งที่เกิดขึ้นที่มากับความสงบก็คือความสุขความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้เจ้าชายสิทธัตถะก็เคยได้สัมผัสในขณะที่เป็นเด็กและยังจำได้พอเห็นนักบวชที่แสวงหาความสงบ หาความสุขแบบนี้ก็เข้าใจ ท, ทันทีเข้าใจความหมายทันทีว่า อ, อ๋นี่แหละคือทางที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปคือการไปหาความสุขทางจิตใจหาความสุขจากความสงบแต่การจะหาความสุขจากความสงบนีได้ต้องละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเอง จึงต้องออกจากวังหนีไปบวชในที่สุดเมื่อมีเหตุการณ์มาบังคับให้ตัดสินใจพระองค์ก็เลยต้องตัดสินใจทันทีคือตอนที่พระมเหสีคลอดลูกออกมาแล้วมหาเล็กมารายงานว่าตอนนี้พระมเหสีได้คลอดลูกชายให้กับพระองค์แล้วพอพระองค์ได้ยินข่าวท่านั้นก็ทรงอุทานออกมาว่าราหุน ราหุลคำภาษาบาลีคำภาษาที่พูดเจ้าใช้ในยุคนั้นแปลว่าบ่วงบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วท่านอุทานขึ้นมาประบ่วงนี้จะรัดใจของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะให้อยู่กับลูกไปตลอดเพราะความรักความสัมพันธ์ความห่วงใยจึงไม่กล้าไปดูละไปดูลูกในคืนนั้นและตัดสินใจว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่สามารถที่จะออกไป เปลนวิธีหาความสุขเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปจึงได้ตัดสินใจในคืนนั้นว่าจะต้องหนีออกจากวังไปจะบอกให้ใครรู้ก็ไม่ได้เพราะรู้ว่าถ้าไปบอกหรือขออนุญาตเช่นจากพระราชบิดานี้จะต้องถูกสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดอย่างแน่นอนเลยต้องตัดสินใจหนีออกจากวังไปในคืนนั้นไปกับมหาเล็กให้ไปส่งที่ชายแดน ขี่มา้าไปถึงชายแดนพอถึงชายแดนก็ลงจากม้าแล้วก็ให้มหาดได้เกามมากับสู่วังไปส่วนพระองค์ก็เดินทางต่อไปเดินทางเพื่อไปหาครูบาอาจารย์ที่จะฝึกที่จะสอนวิธีหาความสุขทางด้านจิตใจคือทางด้านสมาธินั่นเองนี่แหละคือแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนต้นที่มาบวช ก็มีความหลงติดมาเหมือนกับพวกเราก็หาความสุขเหมือนกับพวกเราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นโน้นผลท่าพ้ชนิดต่างๆแต่วันเวลาผ่านไปเราก็จะเริ่มเห็นสภาพของร่างกายว่ามันแก่ลงแก่ลงเห็นคนที่เรารู้จักแก่ลงไปตายจากเราไปเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้เราเห็นเทวทูตสโดยที่เราไม่รู้สึกตัวกัน เทวดาทูตสี่ก็คือทูตที่จะมาให้ให้ข้ อ, อให้ให้ข่าวสารกับพวกเราว่าน่างกายของพวกเราเป็นอย่างนี้นะมันไม่เที่ยงนะมันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายนะแล้วก็ถ้าไม่อยากที่จะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ไปบวชกนนะมีพวกเราเห็นกัน พเราโชคดีอยู่ในประเทศที่มีเทวทูตุดีประเทศอันนี้ไม่มีพระไม่มีนักบวชบางทีไม่รู้มองไม่เห็นไม่รู้จะไปทางไหนก็ไปอยู่กับความสุขไปจนแล้วก็เวลาแก่เวลาแก่เวลาเวลาไม่สบายก็ทุกข์ทรมานจนถึงกับต้องมีการออกกฎหมายแล้วในโลกที่จเจริญทางด้านวัตถุให้อนุญาตฆ่าตัวตายได้ ให้หมอฉีดยาให้ตายได้เพราะว่าไม่รู้ทางออกของปัญหาว่าจะแก้อย่างไรในเมื่อไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องม้เครื่องมือหาความสุขได้อยู่ไปก็ทุกข์ทรมานไปเปล่าๆก็เลยฆ่าตัวตายก็ก็ไม่กล้าฆ่าจะให้หมอฆ่าหมอก็ฆ่าไม่ได้ถืกกฎหมายจึงมีการออกกฎหมา ย, ยางนี้บางประเทศให้หมอช่วยทำให้คนไข้ คนที่คนที่มีชีวิตอยู่ที่อยากตายให้เขาตายได้อย่างสงบอย่างสบายคือฉีดยาเข้าไปในร่างกายแต่มันไม่สบายหรอกเวลาตายยามันก็ยาพิษดีๆนี่เองเราก็ไปในร่างกายมันก็ต้องปวดทรมานจนกระทั่งหมดลมหายใจตอนนั้นมันก็ยังจะทุกข์อยู่อันนี้แหละคือสิ่งที่ เกิขึ้นกับมนุษย์ทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ mm hmm. เวลาหนุม่มเวลาสาวเวลามีกำลังวังชาเวลามีความสามารถหาความสุขอะไรต่างๆได้ก็เพลิดเพลินกันหลงลืมความเป็นจริงของร่างกายว่าต่อไปมันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายกัน mm hmm. เวลาที่มันแก่มันเจ็บจะทำอย่างไร mm hmm. เวลาที่ไม่สามารถที่จะไปหาความสุข ทางตาหูจะบลุกขึ้นกายได้ต่อไปจะทำอย่างไรไม่เคยคิดกันพอถึงเวลานั้นก็ก็เจอแต่ความทุกข์เจอแต่ความซึมเศร้าแล้วก็อาจจะฆ่าตัวตายซึ่งเราก็คงได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆสมัยนี้คนฆ่าตัวตายเยอะกันขึ้นเพราะว่าไม่มีไม่รู้ทางออกของชีวิตว่าเมื่อมาเจอความทุกข์แบบนี้จะทำอย่างไรถ้าได้เข้าวัดเข้าวาได้ศึกษาธรรมะ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ก็จะได้ยินได้ฟังวิธีการทำใจให้สงบกันเพราะวิธีทำใจให้สงบนี้แหละเป็นวิธีที่เราจะสามารถระงับดับความทุกข์ทรมานใจต่างๆที่เกิดจากความแก่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เกิดจากการตกทุกข์ได้ยากได้เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ เรายังสามารถมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบกันนี่แหละคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจของเราผู้ที่ทุกข์ที่จรมานี่ไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันแก่มันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่ทุกข์นะร่างกายมันเจ็บมันปวดมันก็ไม่ทุกข์เพราะร่างกายมันไม่มีการรับรู้นั่นเอง มันไม่มีการรับรู้มันเป็นเหมือนต้นไม้ดีๆนี่เต้นไม้เนี่ยเราไปฟันกิ่งไม้กิ่งไม้มันก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรแต่ร่างกายนี้ก็เช่นเดียวไปตัดแขนตัดมือมันก็ไม่ตัวร่างกายมันไม่ปวดมันไม่เจ็บแต่ตัวตัวที่ไปรับรู้ความเจ็บความปวดของร่างกายคือใจก็คือเรานี่เองคือตัวที่ไปรับรู้ แล้วตัวที่ไปทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายแต่ถ้าเรามีธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เราจะสามารถสอนใจไม่ให้ทุกข์ไปกับความเป็นความตายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครก็ตามหรือความเป็นความตายของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเรารู้เราเข้าใจแล้วเราไม่ไปยึดไปติด เราจะไม่ทุกข์กับสิ่งตา่างๆไม่ยึดไม่ติดกับความเป็นความตายของร่างกายเราจะไม่ทุกข์ <c oughs> เพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจแต่เราตอนนี้เรายังไม่สามารถแยกใจออกจากร่างกายได้เพราะหนึ่งเราไม่รู้ว่าเรากับเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันสองแล้วเราไม่รู้วิธีที่จะแยกร่างกาย แยกใจออกจากร่างกายว่าแยกกันอย่างไรเราจึงต้องมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละผู้ที่รู้จักวิธีแยกร่างกายออกแยกใจออกจากร่างกายรู้จักวิธีที่จะทําให้ใจสงบใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายได้อันนี้แหละคือ หลายเหตุที่เราทำไมถึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำไมเราต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้วิธีที่จะรักษาใจของเหล่านี้ไม่ให้ทุกข์กับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยที่เราไปสัมพันธ์ด้วย ให้เรารู้ว่าเราปล่อยวางได้เราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับความเป็นความไปความเป็นความตายของเขาเราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับความผันแปรความเปลี่ยนแปลงของเขาเขาจะขึ้นเขาจะลงเขาจะดีเขาจะชั่วนี้เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาได้ถ้าเรารู้จักแยกแยะใจของเราให้ออกจากสิ่งแต่เรามนี้ให้ได้เราจึงต้องเข้ามาฟังเทศฟังธรรมกัน ฟังเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้วิธีที่เราจะแยกใจคือตัวเรานี้ให้ออกจากสิ่งต่างๆที่มาทำให้จิตใจเราวุ่นวายทำให้จิตใจเราเครียดเราทุกข์ทำให้จิตใจเรากังวลวิตกทำให้จิตใจเราเศร้าหมองซึมเศร้าเราจึงต้องมาศึกษามาเรียนรู้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมเรียนรู้วิธีดูแลรักษาใจของเรา ที่เป็นสิ่งที่จะสุขหรือจะทุกข์นี้อยู่ที่การอยู่ที่ความรู้หรือความไม่รู้ของธรรมชาติของใจว่าเป็นอย่างไรให้เราเรียนรู้เพื่อเรารู้ว่าใจของเรานี้จะมีความสุขได้อย่างไรและจะมีความทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเรารู้แล้วว่าใจทุกข์เพราะอะไรเราก็หยุดกระทําเหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์เสีย แล้วอะไรที่ทําให้ใจเราสุขเราก็ทําเหตุนั้นให้มันเกิดขึ้นมาเมื่อเราทําเหตุที่ทําให้ใจสุขใจเราก็จะสุขเมื่อเราทําเหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์หายไปความทุกข์ของใจเราก็จะหายไปแล้วเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเรารู้จักทําให้ใจของเราไม่ทุกข์ทำให้ใจของเราสุขได้ตลอดเวลา สิ่งต่างๆที่เคยทำให้เราทุกข์ทำให้เราไม่สบายใจนั้นมันจะไม่สามารถทำให้เราทุกข์ต่อไปได้ทำให้เราไม่สบายใจต่อไปได้เพราะเรามีความรู้มีความฉลาดและมีความสามารถที่จะแยกแยะใจของเราให้ออกจากสิ่งต่างๆได้ออกจากร่างกายได้วิธีที่จะแยกใจออกจากร่างกายก็ต้องใช้การปฏิบัติ ที่เรียกว่าจิตตะภาวนานี่การภาวนานี้เป็นการที่จะทําให้เราสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้สามารถสอนให้ใจไม่ไปทุกข์กับร่างกายไม่ให้ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้แต่การที่เราจะภาวนาได้นี้เราจะต้องมีศีลเป็นเครื่องสนับสนุนก่อนคือศีลแปดเพราะว่าทําไมเราต้องมีศีลแปด เพราะสินแป่จะได้ห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขแบบที่เราเคยหากันอยู่เรื่อยๆที่มันจะทำให้เราต้องทุกเวลาที่ร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผลทพ้าได้มันจะทาให้ใจทุกข์ทรมานใจซึมเศร้าได้จึงต้องห้ามไม่ให้ไปหาความสุขแบบนี้ เพื่อเราจะได้มีเวลามาหาความสุขจากการทําใจให้สงบหาความสุขจากการแยกใจออกจากร่างกายได้เราต้องมีเวลาพูดง่ายๆเพราะทุกวันนี้เราไม่มีเวลาให้กับการมาปฏิบัติจิตตภาวนานั่นเองเราเวลาไปให้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหมดเลยพอมีเวลาว่างปั๊บนี่ต้องดูหนังฟังเพลงอะไรขึ้นมาต้องกินต้องดื่ม ต้องไปเที่ยวต้องไปอะไรกันตลอดเวลาไม่เคยเอาเวลามาปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อมาแยกใจออกจากร่างกายกันเลยเพื่อมาทําใจให้สงบทําใจให้สบายกันเลยดัยงนั้นถ้าเราอยากจะมีเวลาในการที่เราจะมาปฏิบัติจิตตภาวนามาแยกใจออกจากร่างกายกันเราต้องถือศีลแป สินแปดนี้ก็คือการเจริญเนคข ม, มะบามีเนคขมะแปลว่าการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องยุติการหาความสุขชั่วคราวจากการหาความสุขทางทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ดูหนังฟังเพลงไม่กินไม่ดื่มของที่เราลักเราชอบอร่ออร่อยทั้งวันทั้งคืนให้กินเป็นแบบกินยากินเฉพาะเวลาที่ ต้องกินเพื่อร่างกายก็ให้กินไม่เกินเที่ยงวันเป็นอย่างมากหรือให้กินแค่วันละมื้อก็พอร่างกายนี้ถ้าเรื่องของอาหารนี่เพื่อเดียวยาร่างกายนี้ความจริงกินแค่วันละมื้อก็พอรับประกันได้ว่าไม่ตายไม่อดตายถ้าได้กินข้าววันละมื้อเนี่เรากินข้าวเพื่อไม่ให้ร่างกายอดตายท่านพระเจ้า ก, ก็สอนว่าให้กินแค่วันละมื้อหรือถ้าถ้าจะกินสองมื้อก็ไม่ให้เกินเที่ยงวันไป ไม่ให้กินมื้อเย็นไม่ให้กินมื้อบ่ายไม่ให้กินมื้อค่ำไม่ให้กินมื้อก่อนนอนบางคนนี่หลังเที่ยงแล้วก็มีมื้อบ่ายมีน้ำชากาแฟแล้วก็หลังเย็นก็มีดินน่า <c oughs> เด็กก่อนจะนอนก็มีอาหารก่อนนอนอีกอันนี้ไม่ให้กินนะ <c oughs> ไม่ให้หาความสุขจากการกิน <c oughs> ได้มาถือศีลแตกัน แล้วก็ไม่ให้หาความสุขกับการไปหลับนอนกับแฟนเว้นละเว้นการหลับนอนแยกห้องกันนอนคนละห้องกันเวลาเข้าห้องก็ต้องรับกุญแจนะไม่ให้เปิดห้องเดี๋ยวเผอเวลามันเหงาขึ้นมามันสติสตังมันไม่มีพอเห็นไม่มีไม่มีกุญแจล็อกเดี๋ยวมันก็เปิดเข้าไปได้ถ้ามีแฟนก็ต้องแยกห้องกันอยู่แล้วแยกบ้านกันอยู่เชั่อคราว ไปอยู่วัดกันคนที่อยากจะปฏิบัติจิตภาวนาไปอยู่วัดจะดีกว่าเพราะเป็นที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติที่วัดจะไม่มีของกินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรือบางวัดก็หลังจากเช้ารู้เช้าแล้วก็ไม่มีของกินนะตอนบ่ายก็อาจจะให้ดื่มน้ำผลไม้ได้บ้างเพื่อให้มีพลังงานบ้างเท่านั้นเองแต่ไม่ให้กินอะไรเพื่อที่จะได้มีเวลามา ปฏิบัติจิตตภาวนามาแยกใจออกจากร่างกายอย่างนั้นต้องถือศีลแปดกนนันถ้าอยากจะมาปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อ <t> เพื่อจะได้แยกใจออกจากร่างกายให้ได้เพราะถ้าเราแยกใจออกจากร่างกายได้แล้วต่อไปใจเราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรเวลาร่างกายเจ็บปวดต่านั้นเจ็บปวดตอนนี้ก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายพิกลพิกาไม่สามารถ พาเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะว่าเวลาที่เราแยก จ, จิตใจออกจากร่างกายได้นิจใจจะสงบใจจะมีความสุขในตัวของมันเองนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษามาปฏิบัติกันให้ได้มาแยกใจออกจากร่างกายให้ได้ด้วยการจเจริญสติเนี่ย สตินี้แหละคือเครื่องมือที่จะแยกที่จะดึงใจให้ออกจากร่างกายตอนนี้ใจมันติดอยู่กับร่างกายผ่านทางวิญญาณทั้งห้าคือวิญญาณที่มาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเราจะใช้สตินี้ดึงวิญญาณทั้งห้าให้ออกจากร่างกายด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเราต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำแค่นาทีสองนาที 3, แล้วก็จะถอดมันได้มันไม่พอเราหยุดปับ๊บมันก็กลับไปใหม่เราต้องดึงออกมาจนกว่ามันจะไม่กลับไปเราถึงจะหยุดพุทโธได้เราจึงต้องหมัน่นเจริญพุทโธการเจริญพุทโธก็เรียกว่าการเจริญสติมันเจริญพุทโธพุทโธเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาเพพอใจมันจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็ดึงมันกลับเข้ามาด้วยพุโทโธพุธโทโธดึงให้มันกลับเข้ามาในใจให้มันแยกออกจากร่างกายอย่าให้มันไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปน็นครับถ้าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรสักแต่ว่าได้ยินแต่จะไม่ให้คิดปรุงแต่งอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากดูนั่นอยากจะฟังนี่อยากจะดื่มนั่นอยากจะกินนี่ให้ใช้พุโทโธคอยดึงเอาไว้อย่าให้ไปติดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกาย อันนี้ในขณะที่เรากำลังตื่นขึ้นมาและกำลังทำภารกิจต่างๆถ้าเราไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี้เราจะไม่มีภารกิจอะไรไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราสามารถใช้พุโทโธพุโทโธได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเราก็พุโทโธพุโทโธไปคอยดึงใจไว้อย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่น อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เดึงกลับมาอยู่ที่ใจให้รู้เฉยๆทำอย่างนี้ไปพอเราเสร็จกิจต่างๆที่เราต้องทำเราก็มานั่งหลับตานั่งหลับตาแล้วก็พุทธโธพุทธโธพุทธโธต่อไปถ้าเราสามารถพุทธโธต่อไปได้เดี๋ยวสายวิญญาณที่เกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกามันก็จะมันก็จะกลับเข้ามาในใจเต็มที่ แล้วมันก็จะหยุดมันก็จะนิ่งจะสงบตอนนั้นเราก็จะรู้สึกว่าใจกับร่างกายได้แยกออกจากการราันแล้วเพราะว่าความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันหายไปชั่วคราว<ม>นั่นแหละคือการแยกกายแยกใจด้วยสติที่เราเรียกว่าการทำสมาธินั่นเอง <S <S <ม>ออการเข้าฌานถ้าเราเข้าถึงฌานสี่นี้แสดงว่าใจกับร่างกายได้แยกออกจากกันชั่วคราวแล้ว ตอนนั้นใจอยู่ตามลำพังอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบ mm hmm. แล้วก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางร่างกายนี้มีอยู่กับตัวเรานี่เองอยู่ที่การทําใจของเราให้สงบ mm hmm. พอใจของเราสงบแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าต่อไปนี้ถ้าเราต้องการความสุขเราก็มาหาความสุขจากการทําสมาธิดีกว่า ไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเรารู้ว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะมีอุปสรรคจะมีปัญหาต่อไปเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ร่างกายใกล้จะตายเราจะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้หรือเวลาที่เรายังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ แต่ถ้าเราไม่มีเงินไม่มีปัจจัยจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็หาได้ยากจะไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปปลาไปผักนี่ก็ไปไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายอยู่บ้านก็หงุดหงิดซึมเศร้าแต่ถ้าเราหาความสุขจากการทําใจให้สงบได้เราก็อยู่บ้านได้ไม่ซึมเศร้าอยู่บ้านเราก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบใช้พุโทโธพุธโทโธดึง ใจให้เข้าข้างในดึงออกจากตาหูจมูกลิ้นกายพอใจออกจากตาหูจมูกลิ้นกายเข้าสู่ความสงบใจก็มีความสุขได้มีความสุขมากกว่า ก, า, การไปเที่ยวบาเที่ยวผับไปเที่ยวตามดังท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือนอหาประเทศสู่การท่องเที่ยวในใจของเราไม่ได้ท่องเที่ยวกับความสงบของใจเราไม่ได้นี่แหละคือจะเป็นวิธีที่จะทาให้เรา สามารถแยกใจของเราให้ออกจากร่างกายได้ชั่วคราวก่อนแยกแบบชั่วคราวแยกด้วยสติแล้วถ้าเราอยากจะแยกแบบถาวรเราก็ต้องเอาปัญญามาสอนใจเวลาที่เราออกจากสมาธิเวลาที่ใจกับร่างกายกลับมารวมกันอยู่ด้วยกันเราต้องคอยเตือนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายไม่เที่ยงเดี๋ยววันหนึ่งมันจะต้องแก่เจ็บตาย ้อย่าไปอาศัยมันอย่าไปใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขสิ่งที่เราหาความสุขคือตาหูจมูกนิ้งกายมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราววันใดวันหนึ่งเราก็จะไม่สามารถหาความสุขจากมันได้เนี่ยคือการสอนใจให้แยกใจออกจากร่างกายด้วยปัญญาด้วยการสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อระงับความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายทุกวิถีทางให้ได้ ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆต่อไปใจมันก็จะเข้าใจว่าการไปหาความสุขผ่านทางร่างกายการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรดนี้เท่ากับการไปหาความทุกข์ดีๆนี่เองเพราะสิ่งต่างๆที่หานี้มันไม่แน่นอนบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้เวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์เวลาหามาได้แล้วหมดไปก็ทุกข์เวลาเวลาหามาได้แต่แต่ไม่สามารถ ทำอะไรกับมันได้เช่นเป็นคนพิกลพิการไปก็ทุกข์อีกเหมือนกันให้พิจารณาอย่างนี้ด้วยปัญญาแล้วต่อไปใจมันก็จะแยกออกจากร่างกายอย่างทาวรนจะไม่ใช้ร่างกายจะไม่ใช้อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปใจก็จะอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านมที่ผ่านมาทางร่างกายหรือร่างกายของตนเอง ร่างกายของตัวเองจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์แล้วเพราะไม่ต้องไม่ต้องอาศัยร่างกายแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเองไม่ได้เป็นร่างกายตัวเองเป็นเพียงผู้รู้ผู้คิดทนั้เองก็รู้ตามความเป็นจริงของร่างกายเหมือนเรารู้ว่าร่างกายของคนอื่นนี้เขาไม่ใช่เป็นตัวเราเวลาคนอื่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเขาตายเราก็ไม่เดือดร้อนกับเขาเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ตายไปกับเขานั่นเอง เช่นเดียวกับร่างกายของเรานี้มันก็ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายเป็นผู้มารับใช้เราเป็นคนใช้ของเราท่านเองหรือเป็นเป็นแฝดน้องเราเป็นแฝดพี่เราเป็นคนใช้น้องพาเราไปทาอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เราไม่ต้องใช้เขาแล้วเพราะเรามีวิธีหาความสุขที่ดีกว่าที่ปลอดภัยกว่าเราไม่ต้องใช้น้องเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้ว เราก็ดูแลน้องไปตามมัตภาพให้น้องอยู่ไปตามสภาพไปแต่ถ้าน้องอยู่ไม่ได้น้องจะตายเราก็ไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่านี่คือความเป็นจริงของร่างกายของน้องว่าวันหนึ่งจะต้องถึงกับความตายไปใจจะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายใจจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเพราะใจไม่ต้องพึ่งร่างกายกต่อไปใจมีที่พึ่งของตน คือมีสติมีปัญญาที่จะนักษาใจให้อยู่กับความสุขอยู่กับความสงบไปตลอดนี่แหละคือวิธีที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบและนำเอามาสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะเมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป แต่ถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่พอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ไปเกิดกี่รอบกี่ครั้งก็เหมือนกันเนี่ยพอตายแล้วก็ยังต้องใช้ร่างกายต่อไปก็ต้องไปเกิดใหม่เราจึงเวียนว่ายตายเกิดกันมาอย่างไม่รู้จักจบจักสิน้นแต่ถ้าเราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคําสอนจากพระอริยสงสาร ว, วิธีที่จะทําให้ใจของเราไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้ว ต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปร่างกายที่เราไปอยู่นี้ก็จะเป็นร่างกายอันสุดท้ายที่เราเรียกว่าชาติสุดท้ายชาตินี้คือชาติสุดท้ายของเราเพราะเราไม่อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราอีกต่อไปเราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างถาวรจะอยู่กับพ ร, พ, พ, รพระพุทธเจ้าและพระนตัสาวกทั้งหลาย ที่ได้หลุดพ้นไปแล้วคือที่พระนิพพานที่อยู่ของผู้ที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวามีวะอิโตทินงังเปตานาังอุ ป, ปกะปะติ อิติตังปะทิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเทปุรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยธานิโชติอะระโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อพ e e e ิวาทนาสีลิษานิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวัทานติอายุวโนโสุขางภาลังอะโลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียว หลังจากที่เลิกแล้วจะไม่มีการถามตอบคำถามอีกต่อไปเพราะนั้นถ้าอยากจะถามอะไรอขอให้ถามในช่วงนี้ถ้าจะถามเองก็มามาที่ข้างหน้านี้เรามีไมโครโฟนให้พูดแต่ถ้าไม่อยากจะมาก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความมาก็ได้หรือถ้ามี Facebook หรือ Youtube ก็ส่งข้อความผ่านทางเฟซบุ YouTube ได้ เดี๋ยวรอเดี๋ยวนั้นทางนี้พอดีเป็นช่วงถามตอบนำถามวันนี้มีผู้ติดตามทงางบ้านเท่าไหร่คราบนรัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ยอดผู้ชมทางเฟซบุ๊กมี487ท่านเจ้าค่ะ YouTube 261ท่าน Dr.V Channel 125ท่านวิทยุออนไลน์8ท่านครับ House 16ท่าน ผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันสามสิบแปดท่านเจ้าค่ะคใครอยากจะถามคำถามมีเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไปให้พูดใกล้ๆเลยพูดดังๆ พอดีลูกชายมีคําถา ม, มค่ะพอดีลูกชายมีคําถามเกี่ยวกับพุทธศาสนาค่ะเขาคิดว่ามันบางเขาเรียกคําสอนของพุทธศาสนาบางคําสอนมันจับต้องไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นรูปนามธรรมมากมากจนเขาจนเขาไม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องนี้่เีคือสิ่งที่จับต้องได้เราไม่ทมําน<ม>ี่ตอนนี้รักษาศีลนี่ก็จับต้องได้<ม>รักษาศีลได้ไหมล่ะ ไม่กินเล่าได้ไหมไม่รักขโมยได้หรือเปล่าไม่โกหกได้หรือเปล่าถ้าไม่ทําผิดศีลมันก็ก็ไม่มีไม่มีปัญหาตามมาถ้าไปทําผิดศีลมันก็มีตามปัญหาตามมาเราก็ทําในสิ่งที่เราจับต้องได้ก่อนครรภ์นเขสอนให้ทําดีทาทายให้เราแบ่งปันให้เราเสียสละแม่้เราหวง ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากจนเกินไปมีไว้สําหรับใช้พอกินพอใช้ก็พ อ, พอถ้ามีมากกว่านั้นก็เอาไปให้คนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนช่วยกันไปเวลาได้ทําบุญทําทานแล้วใจเราจะมีความสุขอันนี้ก็ต้องเป็นต้องลองทําดูแล้วถึงจะรู้ว่าทําแล้วดีมันก็ไม่ดีอย่างไง ร, รักษาสินทําบุญทําทานส่วนเรืนนี้ไม่ต้องเกิดจากการปฏิบัติอย่างที่เมื่อกี้สอน ดังนั้นมันจะต้องฝึกสมาธินะอันนี้ก็อาจจะต้องต้องใช้เวลามากพอสมคกวนกว่าจะถึงเข้าใจได้นั้นก็ต้องใจเย็นๆเบื้องต้นก็ให้เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นความจริงเท่งนั้นสิ่งที่พูดเจ้าทรงสรั่งทรงสรัึงแต่ว่าสติปัญญาของเรายังไม่อยู่ในระดับที่จะเข้าถึงง่ายยังปฏิบัติไม่ถึง เราต้องยกระดับสติปัญญาของเราให้สูงขึ้นแล้วเราก็จะสามารถรู้เห็นตามที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้ที่ทรงนํามาสั่งมาสอนพวกเราได้เห็นเบื้องต้นให้เชื่อก่อนเชื่อว่าตายไปนี้เราไม่ได้ตายสุดกับร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่มาเกาะเป็นเหมือนคนขีม่ม้าคนขี่ม้า ก, กับม้าไม่ได้เป็นคนเดียวกันใช่ไหม เวลาม้าตายไปคนขี่ม้าไม่ได้ตายไปกับมา้าคนขี่ม้าก็เดินเดินไปไม่มีม้าขี่ก็ต้องเดินไปเวลาใจไม่มีร่างกายไว้ใช้ทําอะไรใจก็ต้องเป็นดวงวิญญาณไปแล้วก็อยู่ในโลกคิดไปชั่วคราวจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่ว่าใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแต่ใจเป็นฝาแฝดกับร่างกายเป็นเหมือนแฝดสยามเราเห็นร่างกายแต่เราไม่เห็นร่างร่างของใจเพราะใจเป็นร่างทึกเป็นกายทึบแต่ใจนี่แหละเป็นผู้สั่งร่างกายให้ทําอะไรต่างๆและใจนี่แหละเป็นผู้ที่สุขหรือทุกข์ไปกับการสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆสั่งให้ทําบุญก็มีความสุข สั่งให้ทาบาปก็จะมีความทุกข์อันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะ ย, ยังไม่เข้าถึงก็ได้<ม>ก็ต้องอาศัยเวลาศึกษาแล้วสังเกตดูไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าพระพุทธศาสนาครับมันจะมีคำสอนที่สมเหตุสมผลอย่างเช่นเราทำดีก็จะเกิดสิ่งที่ดีทำชั่วก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีถูกแต่บางที มันจะมีในผมทบางทีที่ได้ยินมาบางทีมันจะมีอะไรทำนองว่าแบบถ้าเราทำบุญเยอะๆเราจะรวยหรือว่าทำทำบุญเยอะๆชาติหน้าเกิดไปจะดีหรือว่าพวกผีอะไรเงี้ยฮะเข้าใจเข้าใจคือเราไม่เข้าใจความจริงของการทำดีความเชื่อว่าใครเป็นผู้รับผลเราไปเข้าใจผิดกัน เราคิดว่าเราทําดีแล้วร่างกายจะจะได้รับรางวัลได้ล่ําได้รวยไดอ้อยากจะได้อะไรก็ได้ได้เจริญในลาบยศสารเสริญสุขอันนี้ไม่ใช่เป็นผลของการทําความดีความดีนี้หมายถึงความสุขความเจริญทางจิตใจจิตใจที่เรามองไม่เห็นตัวเนี่ยเวลาทําความดีเราจะมีความสุขใจมีความภูมิใจ อันนั้นแหลคือผลแล้วที่เราได้ส่วนความเจริญก็คือเราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเหมือนกันแต่เป็นขั้นตําแหน่งของจิตใจจิตใจก็มีขั้นมีตําแหน่งเหมือนกันคือตอนนี้ใจเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่พอเรามีทําความดีเราได้เลื่อนขั้นไปเป็นเทวดาเข้าใจไหมเป็นเทวดาที่สูงกว่ามนุษย์ใจของเราจะเลื่อนขึ้นไปตามตามการทําความดีของเรา ยิ่งทาดีมากก็ยิ่งเลื่อนขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเทวดาก็มีหกหชั้นด้วยกันอันนี้คือความสุขความเจริญทางทางจิตใจที่เกิดจากการทําความดีต่างๆไม่ได้ความเจริญทางนาบยศสารเสริอสุดคนที่ทําชั่วขี้โกงรวยก็ได้อันนี้เป็นใหญ่เป็นโตก็ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกันเป็นคนละเรื่องกันเราไปมองผลของการทำความดีผิดที่กัน เราเิดว่าเราทำความดีแล้วเราจะรวยถ้าเราทำงานเราจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอันนี้ไม่ไม่จำเป็นไม่จำอาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้มันไม่ได้เป็นผลโดยตรงแต่ผลที่เกิดโดยตรงคือจิตใจของเราสภาพจิตใจของเราจะดีขึ้นเวลาเราทำความดีเราจะมีความสุขใจอิม่มใจคุณใจเวลาเราทำความไม่ดีเราจะมีความทุกข์ใจไม่สบายใจ อ, อ, อันนี้แหละ เวลาทําให้ดีเราก็จะถูกเลื่อนขั้นตําแหน่งลงจากการเป็นมนุษย์เราก็จะไปเป็นเดราาัจฉานอันนี้แหละคือความสุขความเจริญทางด้านจิตใจที่เขาไม่ค่อยได้อธิบายกันเราคิดว่าเข้าใจกันโดยคนคนสมัยใหม่พอมาฟังก็เลยเข้าใจผิดกันแล้วก็ไปบอกกันผิดผิดไปเออทําดีเราจะรวยนะทําดีเราจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะไม่ใช่หรอ พอใจอยังทาดีได้เป็นเทวดาทําดีตายไปได้ไปสวรรค์อเงี้อันนี้ถูกต้องทําบาปแล้วไปนรกไปอบายเนี่ยถูกต้องพอใจอยังแล้วสวรรค์เรือหรือนรกนี้ก็ไม่ได้เป็นสถานที่เป็นสภาพจิตใจที่สุขหรือทุกข์จิตใจที่สุขเราก็เรียกว่าสวรรค์จิตใจที่ทุกข์เราก็เรียกว่าอบายอบายมันมีหลายแบบเป็นเปรต ทุกเพราะความหิวก็เป็นเปรตทุกเพราะความโกรธก็เป็นนรกทุกเพราะความกลัวก็เป็นอสุรากายทุกเพราะความหลงก็ไปเป็นเนรชามันมันไม่มันมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเราเลยไม่รู้ว่าใครเป็นทู้รับผลการทำความดีทาความเชื่อแต่ถ้าเราสังเกตเรานี่แหละคือจิตใจที่รับผลทันทีเวลาเราทํา แเวลาทําความดีระหว่างโกหกกับไม่โกหกนี้ลองลองลองไปตัดสินใจดูเลยถ้ายอมถ้าไม่ไม่โกหกยอมยอมพูดความจริงใจมันจะสบายขึ้นมาแต่ถ้าไปโกหกปั๊บใจมันจะไม่สบายขึ้นมาเข้าใจไหมให้ดูที่ใจรับผลแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคะ่ะเรื่องการกราบไหว้พระพุทธรูปอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าค่ะอั น, นั้นก็ผิดเ อ, อะค่ ะ, คะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าบอกให้สร้างพระในใจ ทำความดีแล้วใจจะเป็นพระขึ้นมาเยพระพุทธเจ้าเป็นพระเพราะการทำความดีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะใจเพราะใจทำความดีใจชำระเอาชนะกิเลสได้ถ้าใจของใครชนะกิเลสได้ใจนั้นก็เป็นพระขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สร้างพระวุธรูปไม่กราบไหว้ดูชาเพียงแต่ว่าคนอยากจะมีอะไรเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าืก็แค่กราบไหว้เท่นั้น แต่การกราบไหว้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีบูชาพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าวิธีบูชาเราก็คือการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ทําดีละบาปเอาชนะกิเลสถ้าทํานี้เท่ากับเราได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องเอาดอกไม้ทุบเทียนไม่ต้องมาสร้างพระพุทธรูปองค์บืเริ่มเทิมมันก็เป็นตุกตาตัวหนึ่งนั่นแพระพุทธรูปแล้วมันจะทําอะไรได้เองแต่คนไปเชื่อว่าอวโลกะ มากับพระพุทธเลูกวันนี้แล้วไปทื้อลอตเตอรี่ถูกหวยบ้างไปสมัครงานได้งานบ้างไม่มีลูกอยากได้ลูกมากับพระพุทธเลูกแล้วกลับไปก็ได้ลูกนี้่นั่นเป็นเหตุบังเอิญมันเหตุเป็นที่พอดีมันเกิดขึ้นเองมันไม่ได้เกี่ิดขึ่นจากการมากับพระหรอกแล้วอีกเรื่องนะครัเรื่องการสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะสวดมนต์ก่อนนอนหรือว่าการสวดมนต์ก็เป็นวิธีฝึกจิตฝึกสติจิตเรามันชอบคิดบางทีนอนไม่หลับเพราะความคิดใช่ไหม คิดวีตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าเราจิตที่คิดนี้มาสวดมนต์มันจะลืมเรื่องที่ทำให้เราเครียดแล้วพอเราลืมแป๊บจิตก็หลับนั่นเป็นวิธีทำใจให้สงบด้วยการส ว, มวดวสวนมนต์ด้วยการเป็นฝึกสมาธิฝึกสติแต่ต้องสวดเยอะๆถึงจะได้ผลถ้าอยากได้สมาธินี้ต้องนั่งสวดไม่ให้นอนสวด ก็คืออย่างเด็กนี so ่คือก็เด็กก็หาส่วนไว้เป็นการฝึกไปก่อนเด็กเขาไม่ค่อยมีความเครียดเท่าไหร่แต่ถ้ามีความเครียดก็สวดได้แล้วสวดได้ไม่ต้องรอเวลาที่จะนอนมาสวดเครียดตอนไหนก็สวดตอนนั้นเลยอืเหมือนกินยาปวดหัวเมื่อไหร่ก็เอาคว้ายาแก้ปวดมากินเลยอืการสวดมนต์นี้ก็เป็นการแก้ปวดใจเวลาใจเครียดใจทุกมันคิดมากก็หยุดคิดมันด้วยการสวดมนต์ไปสวดไปสักระยะหนึ่งพอมันหายเครียดแล้วก็หยุดสวด ถ้ายังไม่หายก็ต้องสวดต่อไปเหมือนกับกินยาใช่ไหมถ้ากินยายังไม่หายเราก็ต้องกินไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใจเราทุกข์ใจเราเครียดเราสวดวนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายทุกข์หายเครียดแล้วก็หยุดสวดแล้วถ้ามันถ้ามันเครียดมันทุกข์ใหม่ก็สวดใหม่แล้วอย่างเด็กเขาจะ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากจะเข้าวัดเนี่ค่ะเขาจะแบบเขาไปเข้าผิดวัดนี่เลยวัดก็เหมือนโรงเรียนโรงเรียนบางบางโรงเรียนนี่เด็กเด็กแย่งกันเข้าใช่ไหมมหาลัยบางแห่งนี่เขาแย่งกันเข้าเพราะว่ามีชื่อเสียงที่ดีให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าไปศึกษาวัดก็เหมือนกันวัดที่ดีคนแย่งกันเข้าก็มีแต่เราต้องศึกษาดูเป็นวัดอยู่ที่ไหนวัดที่ให้ความรู้กับเรา วัดนี่เป็นโรงเรียนเข้าใจไหมแต่ถ้าไปเจอวัดที่เป็นโรงลิเกก็อย่าไป <c oughs> ถ้าไปเจอวัดที่มีแต่พิธีกรรมต่างๆมีการอะไรกระทําพิธีอะไรไม่ได้ให้สอนไม่ได้สั่งไม่ได้สอนเลยก็อย่าไปอันนี้ไม่ใช่เป็นวัดวะ <c oughs> วัดที่แท้จริงต้องมีการศึกษามีการสั่งสอนมีครูมีอาจารย์ที่มีชื่อมีเสียงที่สามารถสอนสามารถตอบคําถามต่างๆให้กับผู้ที่มาศึกษา ให้เกิดความเข้าใจได้อันนี้ผมขอถามว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะฮะเ อ, อบุญกับบาปนี่คือเป็นสภาพจิตใจของคนใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นการกระทาการทําบุญคือการทําความดีครับการกระทําที่ให้คนอื่นมีความสุขนี้เรียกว่าบุญการกระทําที่ให้คนอื่นเขาทุกข์นี้เรียกว่าบาป แล้วบุญนี้ก็จะไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับทางโล<ร>กใช่ไหมฮะ เ, <ร>เอ้ย <ไป S 2> ท<า>ั้งเรารไปทําบาปเราให้คนอื่นเขาทุกข์เราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราไปทําให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาทันทีนใช่ไมเวลาเราทําความดีทําให้คนอื่นเขามีความสุขเย่างวันเกิดที่เราไปอวยพร Happy Birthday เห็นเขามีความสุขแล้วเราสุขกับเขาบ้างนั่นแหละก็บุญนะครับ Happy Birthday เนี่ยก็บุญเลย คริสาสของขวัญไปให้กันนี่มันก็เป็นบุญนะเป็นการให้ความสุขแก่ผู้นี่ก็เป็นการทําความดีนี่นก็บุญเวลาเราไปขโมยของคนอื่นแล้วเขาทุกข์ไหมลนะ่ะแล้วเราทุกข์ไหมลนะ่ะเราทุกข์เพราะเรากลัวจะถูกจับใช่นนะไหมเดี๋ยวเกิดใครเห็นใครเขารู้ว่าเราไปขโมยข้าวของเขาเขาก็อาจจะไปแจ้งความ น, นั่นมาจับเราขณะที่เรายังไม่ถูกจับเราก็กลัวล่ะเราก็ทุกข์ละ แต่ถ้าเราไม่ไปขโมยของขใครเราไปซื้อของของเราเองเราก็ไม่ทุกขนะ์การทำบาปก็คือการไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นการทำบุญก็คือการไปให้ความสุขแก่ผู้อื่นเรียกว่าบุญกับบาล้วผลคือผู้กระทำนั่นจะรับผลทัน ท, ทีด้วยความรู้สึกสุขหรือทุกข์ขึ้นมาในใจของตนทันทีพอใจอยัง ขอขออนุญาตพระอาจารย์าาานะครับคือผมก็ปฏิบัติภาวนามาบ้างอ่ะนะครับพระอาจารย์แต่ก็อยากจะทราบว่าปฏิการปฏิบัติภาวนาเราเราก็ไม่ทราบ อ, อว่ามันบางครั้งมันมีการพัฒนาขึ้นหรือเปล่าบางครั้งก็ดูเหมือนกับจะดีบางครั้งก็ทรงทรงบางครั้งก็ดูแบบเสื่มเสื่อมอะนะฮะเคยเคยได้ยินว่าการปฏิบัติต้องมีการปฏิบัติเพื่อให้ถูกจริตกับบุคคลต่างๆอะนะครับไม่หรอกส่วนใหญ่ที่มัน ไม่ไม่สม่าเสมอเพราะการปฏิบัติเราไม่สม่าเสมอเราต้องปฏิบัติให้มันสม่าเสมอทำทุกวันทุกเวันแต่ถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างผลมันก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างนั่นได้อยู่ที่เจริตอยู่ที่การกระทำของเราถ้าอินพุตเท่าไหร่ออปุตเป็นกระเท่านั่นน่ะอ่างั้นถ้าอยากจะให้ผลมันต่อเนื่องมันดีก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติบางวันขี้เกียจก็ไม่ปฏิบัติบางวันไม่ว่างก็ไม่ปฏิบัติเพอประกาศมาปฏิบัติใหม่มันเหมือนกับต้องมานับหนึ่งใหม่เคยได้เท่าไหร่มันก็หายไปหมดต้องกลับมาเริ่มใหมแต่ถ้าเรารักษามันเรื่อยๆทํามันทุกวันทุกวันมันก็จะก้าวหน้าดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นไปการปฏิบัติผลก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับนะเรื่งจะเรื่นั้นมันมนความเข้าใจผิด คือความจริตนี้เข้าหมายถึงเวลาที่เรามีความโกรธเราต้องใช้วิธีดับความโกรธ ด, ด้วยธรรมะอย่างหนึ่งคือความเมตตาเราจะไปใช้พุโทโธดับความโกรธไม่ได้นทีแต่ถ้าเราใช้เมตตาเนี่เราดับได้หรือเราจะไปใช้ใช้อสุภาษหนึ่งก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเวลาเราเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเราก็ต้องใช้อสุภาดูความไม่สวยงามของร่างกายาถึงจะดับได้ อันนี้หมายถึงจลิตซึ่งในแต่ละคนก็มีอยู่4ี่หจลิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั้นเราก็ต้องรู้จักวิธีใช้ธรรมะที่เหมาะสมเพื่อมารังับจิตที่ไม่ปกติให้มันกลับมาเป็นปกติเวลาโกรก็ต้องให้อภัยให้ความเมตตาเขาไม่ถือโทษยกดเคืองกันเวลาเวลาที่มีอารมณ์การมารมณ์ก็ต้องพิจารณาสุภาตนเวลาสงสัยเวลาลังเลสงสัย ให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสงสัยอะไรก็ต้องไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อไปถามไปไปหาคำตอบให้ได้เราจะได้หายสงสยัยหายหายลังเลได้นี่เป็นเป็นวิธีแก้ปัญหาที่มีในใจของแต่ละคนจลิตบางคนขี้สงสยัยถ้าสงสัยมากก็ต้องศึกษามากถ้าสงสัยน้อยก็ศึกษาน้อย ถ้ามีการอารมณ์มากก็ต้องระลึกถึงอสุภะให้มากถ้าเป็นคนขี้โกรธมากก็ต้องระลึกต้องแผ่เมตตาให้มากต้องเจริญเมตตาให้มากความหลายไปอย่างนั้นพาใจยังถ้าขี้โลภให้นึกถึงความตายบ่อยๆโลภมากให้นึกถึงความตายตายไปแล้วเพเอาอะไรไปได้หรือเปล่า ม, มันก็จะหายโลภเองกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะ อพอดีเห็นเด็กๆอะค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งเ้่าเยอะอย่างเช่นทาง Youtube หรือว่าหนังบางทีกลางคืนเราก็อยากให้เขามาอยู่กับตัวเองบ้างค่ะเมื่อกี้ได้ยินว่าให้สวดมนต์ทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าอย่างบางทีให้เขานั่งสมาธิก็ไม่รู้นั่งจริงไม่จริงแต่บางทีก็ลอยคือจริงๆนั่งสมาธิคือยังไม่ควรทาหรือเปล่าคะ ให้สวดมนต์ไปก่อนออทําได้การสวดมนต์กับการนั่งสมาธิมันก็ <c oughs> เรื่องเดียวกันแต่ข้อสําคัญก็คือเราต้องทําเป็นเป็นกิจกรรมร่วมกันไม่ใช่พ่อแม่นั่งดูทีวีแล้วก็ปล่อยให้ลูกไปนั่งสวดมนต์ไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องนํนาพาสวดด้วยต้องทํากิจกรรมร่วมกันแม่ปูสอนลูกปกูเข้าใจไหมสอนให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่เดินเฉไปเฉมา ลูกมันก็ไม่ทําตามที่แม่พูดหรอกมันก็ทําตามที่แม่สอนเอ็นถ้าอยากจะให้ลูกนั่งสมาธิเราก็ต้องนั่งกับเขาอยากจะให้ลูกมาวัดก็อย่างเงี้ยพาเขามาวัดชวนมาทำให้มันเป็นกิจกรรมประจําประจําชีวิตเ่ยของนี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปมันไม่ใช่เป็นของที่ทําแค่ครั้งสองครั้งแล้วมันจะเกิดผลขึ้นมาทันทีมันต้องทําแบบเป็นกิจจลักษณะเป็นนิสัยแต่ชีวิตของเรายุคใหม่นี่มันถูกกระแสะโลกดึงดูดไปหมด กระแสของความเจริญทางวัตถุดึงไปเราเลยไม่เราเลยไม่มีเวลาให้กับการมามาศึกษามาสร้างประโยชน์ทางด้านจิตใจกันอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องบังคับใจต้องฝืนใจถ้าใจมันอยากจะไปทางโลกทางวัตถุมากเกินไปก็ต้องควรจะหยุดมันอย่างพระพุทธเจ้าถึงกำหนดให้มีอาทิตย์เรายอย่างน้อยหนึ่งวันให้เข้าวัดกันสมัยนี้เราใช้วันพระไม่ได้แล้วเพราะวันพระมันไม่สะดวกกับเรา เราต้องใช้วันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์วันที่เราหยุดงานแทนที่จะไปเที่ยวกันวันนี้ก็วันนี้เราไปทํากิจกรรมที่วดัดกันเช้าไปใส่บาตรไปไปทำอะไรกันไปหาที่สงบนั่งสมาธิกันบ่ายถ้ามีการแสดงธรรมก็มาพังธรรมกันต้องมีกิจกรรมทางศาสนาหรือทางทาง จ, จิตใจทําให้มันเป็นกิจจลักษณะเหมือนกับการทํางา น, นเวลาทํางานไปโรงเรียนเราทําเป็นกิจลักษณะใช่ไหม ถึงเวลาเราไปถึงเวลาทำงานเราไปทำงานถึงเวลาเราเรียนเราไปเรียนแต่ถึงเวลาทำจิตจมทางจิตใจเรากลับไม่ทำกันเนื้อนานๆจะทำสักทีเอาวันนี้วันวิสาขะาเข้าวัดซะหน่อยนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่พอส่วนหนึ่งก็ต้องโทษตัวเราเองตัวเราเองไม่ไม่เห็นคุณค่าของศาสนาเราก็เลยไม่เข้าหาศาสนาเพราะเราเห็นคุณค่าของวัตถุมากกว่าแต่ในที่สุดเราก็จะเห็นโทษของวัตถุ ว่ามันตอบโจทย์ของเราไม่ได้คือระบายความเครียดของเราไม่ได้ดับความทุกข์ของเราไม่ได้ตอนนั้นน่ะเราอาจจะเห็นคุณค่าของศาสนาแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงถ้าเราไม่เข้ามาศึกษาและปฏิบัติเนี่ยเป็นลูกทั้งครอบครัวเดียวกันหมดนี่เลยใช่ไหมสามครอบครัวสามครอบครัวก็ยังดีที่อจะพาเข้ามาร่วมกันอย่างนี้ครับผมอยากถามว่าแบบ การที่แบบพ่อแม่เนี่ยครับบังคับเพราะว่าเขาแบบบอกว่าแบบหวังดีอย่างเงี้ยมันคือดีหรือไม่ดีครับเพราะบางทีเราก็ไม่ได้เต็มใจที่จะทําหรือที่จะแบบคือบางอย่างนี่ถ้าไม่บังคับก็ไม่ทําเช่นไปเรียนนี้ถ้าไม่บังคับไม่เรียนอาจจะไม่เรียนแล้วผลเสียก็ไม่ได้เกิดจากพ่อแม่แล้วเกิดจากตัวเราเองเนี่ยพอเราไม่เรียนเราก็ไม่มีความรู้ต่อไปเราจะไปหางานทําก็หางานดีๆทําไม่ได้บางทีพ่อแม่ก็ต้องบังคับเรา อันนี้เราก็ต้องดูว่าการบังคับนี่บังคับด้วยเหตุด้วยผลหรือบังคับด้วยอารมณ์แต่ถ้าบังคับด้วยอารมณ์นี่ก็อาจจะไม่ถูกเช่นพ่อแม่เป็นหมอบังคับให้ลูกเป็นหมอแต่ลูกไม่ไชอบเป็นหมอไม่ชอบเรียนหมอชอบเรียนอย่างอื่นชอบเรียนศิลปะอันนี้ก็ไม่ถูกก็ต้องผู้บังคับก็ต้องดูคนที่ถูกบังคับด้วยว่าเขาจะสามารถทำตามที่เราบังคับได้หรือไม่ แล้วแทนที่จะกลายเป็นของดีกับกลายเป็นของไม่ดีไปอบางครับงเขาเราทําไม่ได้ก็อาจจะเกิดการต่อสู้กันเกิดการขัดแย้งกันเกิดการหมาดหมางจิตใจเราจะไม่รักกันจะเกลียดกันได้เพระนบางอย่างเราก็ต้องเราก็เราก็ต้องปล่อยไปตามอธัธยาสัยของเขาแต่ไหนที่เราคิดว่าควรจะบังคับแต่ถึงแม้คนนะถ้าเขาไม่เรียนจริงๆก็ช่วยไม่ได้บางครั้งเขาไปเรียนเขาก็หนีเรียนอยู่เลยหนีเรียนอยู่เรื่อย เราก็ต้องปลงนะว่ามันกรรมของเขาแต่ละคนเกิดมามีระดับความสามารถที่จะเรียนรู้ต่างกันบางคนก็เรียนเก่งบางคนก็เรียนไม่เก่งบางคนก็ไม่ชอบเรียนอันนี้เราก็มีหน้าที่ป้อนให้เขาป้อนสิ่งที่ดีให้กับเขาไปถ้าบังคับได้ก็บังคับถ้าบังคับไม่ได้ก็ต้องปล่อยเราเราควรให้ใครมาตัดสินคำว่าพอดีของเราอะครับ เรายังเป็นเรายังพึ่งตัวเราเองไม่ได้เราก็ต้องให้คนที่เขาเลี้ยงเราเป็นคนตัดสินถ้าเราไม่ให้เขาตัดสินเราก็ต้องไปเลี้ยงตัวเราเองแล้วถ้าสมมติมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่แบบเราพยายามจะพัฒนาในจุดที่แบบเราคิดว่ามันด้อยอย่างเงี้ยครแต่เขามาบอกว่าพอแล้วนะอย่างเงี้ยครับแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่พอเราต้องทําได้ดีกว่านี้เราทําได้ดีกว่านี้ครับแบบเรารู้ศักยภาพตัว เ, <ร>เองเราก็ต้องดูฐานะของเราว่าเราเราเป็น เราเป็นผู้จ่ายเงินแล้วก็เป็นคนจ่ายเงินเขาเป็นนายจ้างหรือเราหรเราเป็นนายจ้างถ้าเขาเป็นนายจ้างเราต้องคิดว่าเราเป็นลูกจ้างอันนี้นายจ้างสั่งให้เราทํำนี้เราก็ต้องทํานทําไปก่อนจนกว่าเราจะเป็นนายจ้างอีกหนาที่เราก็สามารถเลือกทําอะไรตามใจชอบได้แต่ถ้าเรายังอยู่กับความแม่อยู่เราก็ต้องถือว่าเราเป็นลูกจ้างคือก็คือมันมันขึ้นอยู่กับว่าเรายังต้องพึ่งพาเขาในเรื่องนี้อยู่ไหมแล้วทําไมอะครับ เพราะเรายัางฝึ่งตัวเราเองไม่ได้เลยแบบแบบอย่างผมอะครับผมเล่นกีฬาใช่ไหมครับแล้วแม่ก็จะบอกว่าแบบกราบได้แล้วพอได้แล้วแต่ผมรู้สึกว่าตัวผมสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้ในเวลานี้แต่เขาก็บอกว่าคนนี้ ก, นนก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเห็นว่าการพัฒนาทางกีฬานี่สู้การพัฒนาการเรียนรู้ไม่ได้เขเลยคิดว่าอยากให้ไปทางเรียนรู้ก่อนแต่ถ้าคุณที่ว่าคุณจะไปทางกีฬา ก็ก็แล้วแต่คุณอาจจะขอแยกทางไปก็ได้เพราะไม่อยู่ของคุณเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่สามารถจะตกลงกันได้มันก็ต้องก็ต้อา ก, กันหรือถ้าเรายังไปไม่ได้เรายังต้องอาศัยพ่อแม่อยู่เราก็ต้องเคารพพ่อแม่เชื่อฟังเพราะอย่างน้อยให้เราเชื่อว่าพ่อแม่มีความปรารถนาดีกับเราแต่แม่เขาอาจจะมองไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริงของเรา เราก็ไม่เป็นไรเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ไปก่อนแล้วเมื่อต่อไปเราโตขึ้นเราเป็นตัวของเราเองเราก็ไปสามารถไปทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้ต่อไปอขาใจไหมเข้าใจโอเคแล้วเราต้องอย่าลืมสถานภาพของเรา <c oughs> <c oughs> ว่าเราเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างใครเป็นคนจ่ายเงินเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้สมคัญนะแมไม่ต้องมองหลงตาด้วยว่า ที่คุณแบบไม่เปัญหาเพราะว่าเล่นวีละสี่โมงใช่ไหมคะขอเล่นกีฬาจนถึงกี่โมงนะสองทุ่มยังไม่จับยังไม่ถึงบ้านเลยต้องถามบางทีที่แบบว่าเฮ้ยไม่ควรจะกลับบ้านได้แล้วอันนั้นมันอาจจะมากเกินไปก็ได้ก็ต้องรู้จักประมาณทําอะไรทุกสิ่งให้มันมีขอบมีเขตอย่าให้ได้สิ่หนึ่งล้วเสียอีกสิ่หนึ่งอย่างน้อยต้องได้ทั้งสองอย่างแต่ต้องต้องเสียอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็ต้องลดละว่าสิ่งนี้ไปทําให้สิ่งนี้เสีย เราก็ต้องลดสิ่งนี้ลงไปก่อนทาเท่าที่เราทำได้ก่อนคนเราแล้วก็อีกคำถามหนึ่งครับอะไรมากไปย่อมไม่ดีถูกไหมครับแล้วเป็นห่วงมากไปนี่ดีหรือไม่ดีครับคือเป็นห่วงเป็นห่วงมันดีนะเพราะว่าเป็นห่วงก็คือเขาเขาเมตตาเขารักเราเขาถึงเป็นห่วงเราถ้าเขาไม่รักเราเขาก็ไม่เป็นห่วงเราเขาก็ปล่อยให้เราเป็นไปจะเป็นจะตายเขาก็ไม่เดือดร้อน เังนั้นความเป็นห่วงก็ดีแต่เพียงแต่ว่าการแสดงออกนี้บางทีก็ต้องมีขอบมีเข็มเธออย่าไปไปไปรัดคนที่เราห่วงมากจนกระทัง่งเขารู้สึกเปิดอัดรู้สึกไม่สบายใจขึ้นเราก็ต้องคนให้ความห่วงความเมตตาก็ต้องรู้จักประมาณเหมือนกัน ไม่ใช่คอยพูดจำชี้ยาใช้เรื่องท้าเก่าอย่างนีนอย่าทําอย่างนั้นนะอย่าทําอย่างนั้นนะเจอ ก, กันทีลายก็พูดแต่เรื่องนี้คนฟังบ่อยๆมันก็ลาคาญได้มันก็เบื่อมันก็แทนที่จะเห็นว่ารักเห็นว่าเป็นห่วงกับเห็นว่ามันมาเป็นมานเสียมากกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเสียเป่าอ <c oughs> ก็มันก็เราต้องรู้ทั้งสองฝ่าย <c oughs> บางทีคนที่รักที่ห่วงบางทีก็มากเกินไปก็ไม่ดี พ่อแม่บางทีก็รักมากเกินไปเลยอาจจะไปแสดงออกบ่อยเกินไปมากเกินไปจนทําให้คนที่ต้องรับนี่เขาไม่รับไม่ไหวก็ได้แตงก็ต้องคอยสังเกตดูถ้าเขาไม่อยากจะฟังแล้วเราก็ต้องหยุดเรามีหน้าที่สอนบอกเขาเท่นั้นเองเตืนเขาเท่นั้นเองแต่ถ้าเขารู้แล้วเขาไม่อยากจะฟังแล้วเราก็ต้องหยุดแล้วเขาจะเป็นอะไรไปก็ช่วยไม่ได้ <c oughs> พใจนะโต่อไปคนมีลูกเองคุกก็จะรู้เองนะเมื่อก่อนพ่อแม่เขาก็เป็นเหมือนเรานะ่ะแค่คิดอย่างนี้บ้างเลยอยูข้างหลังอ่าอยู่ข้างหลังเชิญนะคะขันะ น, นะขนมัสปรการครับพระอาจารย์ครั บ, อ, รรบอ่ามีคำถามครับผมอ่าฮัทไทยว่าถูกกับอ่าวิ ญ, ญญาณในขันห้าเหมือนกันไหมครับ อะไรวัตถุนะธาตุไทยธทยวัตถุธาตุไทวัตถว่าคือใจผู้รู้ผู้คิดอะไรค่ะธาตุไทยวัตถุเหมือนกันใช่ไมครัไม่เหมือนขันห้ามีมีทั้งร่างกายด้วยมีทั้งจิตใจด้วยอ๋อหมายถึงว่าหาตไทยวัตถุและวิญญาณในขันห้าครับวิญเป็นส่วนหนึ่งของหาตไทยวัตถุเป็นเหมือนแขนขาของหาตทยวัตถุครับผมโอเคครับถ้าเราเริ่มรู้สึกตัวว่าเรากําลังรู้สึกตัวกับ รู้สึกคิดครับในในการคิดที่ว่าสมมุติว่ามาเป็นอกุศล น, นะครับเราเริ่มรู้สึกว่าการหลงคิดอกุศลเนี่ยมันมีตัวยึดอยู่ข้างในครับคำถามคือทําอย่างไรเราถึงจะรู้ทันตัวยึดครับอาจารยเออ์เราไม่ต้องรู้ทันอนะ่ะถ้าเรารู้ว่าเราคิดไปทางอากุศลเราก็หยุดกันสิด้วยการใช้คําบาลีคำพุโทโธพุธโทโธครับหยุนไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่ไม่มก็จะไม่ไปทางอากุศลครับผม โอเคครับขอบมากครับอาจารเดี๋ยววันนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วมีใครอยากจะถามอะไรไหมคําถามสุดท้ายมีไหมมีคําถามยังไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะวันนี้ขอภัยทางบ้านหน่ยนะเพราะว่าเวลามันใกล้จะหมดนะขอไว้คราวหน้าครับแลกันท่านที่มีคําถามส่งเข้ามาก็ขอให้ท่านจงนําเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินพิจารณาไปปฏิบัติ